กับพระเจ้าพระภัยบูร์นพิปุนโนจากวัดป่าละไหโ้โศกเบอร์หนองหานจังหวัดอุดรธานีก็มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงของเวลาที่เรามาพบกันนี้นั้นแน่นอนคําสอนของพระผู้มีพระภาคจะเป็นสิ่งที่เราได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำแล้ในการนี้เราก็ได้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นันเป็นที่พระรูชาได้ตรัสไว้และคําตรัสคําสอนเหล่านี้ก็ได้ นําสืบทอดต่อๆกันมานะมีหลักฐานอยู่ในที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ว่าเป็นพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนั้นก็มีข้อมูลที่หล่ออาตมาอ า, าจารย์ท่านในอธิบายขยายความไว้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์ก็ด้วยเหมือนกันแล้วก็จึงเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะอย่างที่เราได้พูดกันเป็นประชจำอยู่ในรายการว่าอตาตมาอาจารย์ท่านก็ทําหน้าที่ของท่านในการที่จะ ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งจึงมีการที่จะอธิบายขยายความสิ่งที่เป็นพระรูปวจนะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังต่างๆนั่นก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นหน้าที่ของประสงค์ในฐานะของอัตตะตาจารย์พระพเจ้าก็เป็นอัตตะาจารย์องค์หนึ่งเหมือนกันถ้าจะเปรียบนะคือเป็นคนที่เอาคำของพระเจ้าเนี่ยมาอธิบายบอกต่อนะคือเหมือนว่าไม่ได้ว่าจะยกตนว่าเรามีความรู้ความสามารถเท่าท่านแต่ว่าในฐานะหน้าที่การทํางานนั่นก็เป็นผู้ที่ ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จำแจ้งเหมือนกันทีนี้หน้าที่ของท่านผู้ฟังคืออะไรนนหน้าที่ของท่านผู้ฟังก็คือฟังแล้วก็ต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทนะว่ามาติกาแม่บทที่พระเจ้าได้ตรัสไว้นั้นคืออะไรนะทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะทําให้คาสองของพระเจ้าเนี่ยตั้งมั่นยั่งยืนอยู่ได้ตลอดกาลนานนะอย่าไปพูดเลยถึงแค่ว่า4 5 0 0ัปีนะตลอดกาลนานโดยช่วงยิ่งถ้าเรามีการปฏิบัติ อยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะมีการปฏิบัติสติปัฏฐาน4สมปัติฐาน4นะมักแปเนี่ยพวกนี้อยู่อย่างต่อเนื่องอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยเราก็จะทำให้คำสอนนี้ตั้งอยู่ได้นานแน่นอนแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วเนะเราไม่เลิกร้านจากการหลีกเล้นทำความเพียรทำความพยายามในการที่จะพ้นออกจากทุกได้เนี่ยความพ้นทุกนะ์ความที่เราจะหลุดออกจากพุ่งทกุก็จะปรากฏ อยู่ต่อหน้าเราได้ปัญหามันก็มีบ้างธรรมดาท่านผู้ฟังในะเราเกิดมาในโลกเจอสิ่งต่างๆรุมเร้าสิ่งเครื่องกวนมานเครื่องขัดขวางความดีจะทําความดีบางอย่างก็มีคนมากวดมันก็ธรรมดาในะเราก็อดทนเอาในะอดทนเอาในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันท่านฟังในะอะไรที่มันได้งินมาง่ายๆเนี่ยมันเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่แนตะ่แต่อะไรที่เราใส่ความเพียรความพยายามเข้าไป อันนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นมาแเพราะนั้นเวลาที่เราศึกษาคำสอนพระเจ้าแล้วนะเราก็ศึกษาด้วยความอดทนด้วยความที่ภาคเพียนด้วยใจที่มีศรัทธาก็จะทำให้การศึกษาการพัฒนาของเรานั้นดีขึ้นมาในช่วงของพุทธพจน์ที่ให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นคือช่วงของที่เรียกว่าฟังธรรมคำพุทธะนั้นเราก็เลือกมานะเป็นเรื่องเรื่อง เนเรื่องที่นํามาพูดคุยให้ฟังนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสอินท ป, ปัญโยท่านได้ทําการรวบรวมมาจากพระไตรปิฎกอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเป็นเหมือนกับเรียกว่ามรดกทางปัญญาที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้นะเพราะว่าท่านคัดเลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะแล้วก็แปลดโดยตรงจากภาษาบาลีทําการรวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่ด้วยไอ้ตรงที่ทําการรวบรวมแยกเป็นหมวดหมู่เนี่ย ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายในะย่อยได้ว่างั้นเถอนะคือถ้าอะไรที่มันชิ้นใหญ่เกินไปมันก็ย่อยยากกินยากนะเขาต้องเอามาแบ่งทําเป็นชิ้นเล็กๆนะก็เรียกว่าชิ้นที่พอดีคำํำนะตรงนี้ก็เป็นคําสอนที่และมีการแบ่งแยกออกมาแล้วนะมีการตัดต่อทําจัดใจความนะให้มันน่าฟังน่าดูแล้วก็อ่าเนี่ยมีความเข้าใจได้ซึ่งเวลาเราศึกษาตรงนี้นะเราก็ ดูที่บาลีด้วยดูพื้ภาษาไทยด้วยบางทีคําพูดที่เอามายกให้ท่านฟังฟังเนี่ยมันก็มีภาษาบาลีด้วยก็มีนะซึ่งก็จึงต้องมีที่เราจะมาอธิบายในช่วงของคําที่เป็นพุทธวจนะเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงการปฏิบัติตามฟังนั่นะคือตอนนั้นเนี่ยมีท่านพระเจ้าประเศียรที่โกศลนานะไปตามพระพุทธเจ้าในะถึงว่าความแตกต่าง ก, กันระหว่างวรรณะทั้ง4นะั่นคือในอินเดียเนี่ย ในทุกวันนีนะ้ในบางส่วนของประเทศก็ยังมีการแบ่งแยกเป็นชนชั้นวันน้ากันอยูนะ่ชนชั้นกษัตริยนะ์พระรามแพทย์สูตรพวกนี้มีในสวรรณะ น, นี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะก็ไปตามพรนะพรูปาพระรูปเจาก็บอกว่าในวรนน้กษัตริย์กับพระรามเนี่ยคุณเองก็จะยกย่องนะก็เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ท่านพระเจ้าเสรียญทโกศนี้ก็เป็นบัณฑิตนะเป็นคนมีปัญญาแล้วนะก็พยายามถามให้มันลึกซึ้งลงไปถึงว่าแล้วคุณธรรมละ่ะ ถ้าพูดถึงว่าในบุคคล5อย่างเนี่ยมีคุณธรรมที่เรียกว่าปาธานิยังคะที่เราจะคุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านเิ่นฟังจำไดนะ้คือองค์ประกอบของผู้ที่ประกอบความเปลี่ยนแลนะมีอยู่5อย่างนะคือมีศรัทธานะคือความมั่นใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะสองเป็นผู้ที่มีอาภาษน้อยนะมีกุณสุขภาพแข็งแรงนะมีอาภาน้อยมีธาตุไฟพอดีไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกิน นัสามเป็นคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมันยานัเป็นคนที่ตรงตรงนัเป็นคนที่ไม่โอ้อวดไม่มีมันยาไม่มีลูกเล่นมากนัสไม่มีวาระซ่อนแฝงนัสสี่เป็นคนที่มีปัญญา่อาขอไปมีความเพี่ยนความเพียนความบักบันความพยายามความมานะความพยายามพวกนี้แล้วห้าเป็นคนที่มีปัญญาถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งในโลกนี้คุณจะเกิดประเทศไหนสีผิวอะไรในวันนัใดผู้ชายหรือผู้หญิงน ผิวดำหรือผิวขาวไม่เกี่ยวเลยถ้าคุณมีห้าอย่างนี้หนะที่พระเจ้าเสนาโกรสนสงสัยเนี่ยก็คือว่าอา้าวถ้าในวันณัต่างๆกันเนี่ยมีห้าอย่างนี้นะสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะมันจะต่างกันไหมไว้อย่างนั้นพระเจ้าก็ยกอุปมาอุปมาขึ้นให้ฟังในะอุปมาอุปมยที่พระเจ้ายกเนี่ยแยบขายมาให้เอาฟังแตนะ่ถ้ า, าลองฟังดูดีดๆนะมันจะมีแง่มุมที่ทั้งเหมือนและต่างกันนะจึงต้อง มาอธิบายให้ฟังพระเชา่ายกถึงสัตว์นะมีช้างนะโคมา้านะสอย่าง3ประเภทนะช้างมา้าแล้วก็วัวคือโคนี่แหละนะโคเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกเหมือนกันนะสประเภทนี้นะเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะคือเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก่อนนะต้องมีสัญชาติแหการที่ที่ฝึกได้นะคือถ้าเราเอาโคบางประเภทหรือว่าช้างหรือม้าบางประเภทเนี่ย มันเป็นช้างที่ฝึกไม่ได้หรือมาที่ฝึกไม่ได้เราไม่เอาเอาเฉพาะที่ฝึกได้แนะนำได้เอามาสมมุติเอามา6ตั ว, ยตว อ, อย่างละตัวอย่างละคู่โต๊เราเอาช้างมาตัวเอาคู่หนึง่งเอามามาคู่หนึ่งเอาโคมาคู่หนึ่งห6ตัวนี้หรือ3คู่นี้เป็นช้างมาโคที่ฝึกได้ฝึกได้นี่ไม่ใช่ว่าฝึกแล้วนะฝึกได้นี่หมายถึงว่ามันพอรับคาสั่งให้ฝึกได้ แต่ว่ามันยังไม่ aan, โ Price, โ till, ได้ฝึกนะช้างม้าโคที่ฝึกได้มาเปรียบเทียบกันระหว่างเอาตัวหนึ่งของช้างเอาตัวหนึ่งของม้าเอาตัวหนึ่งของโคไปไปทําการฝึกฝึกเสร็จแล้ก uns, MS, วกลับมาฝึกเสร็จแล้วกลับมามาเปรียบเทียบกันกับไอ้3าตัวเดิมที่ม <otte training> <t iny right> <ง> <unfamiliar> ันย no ังอยู่นี้ช้างม้าโคที่ยังไม่ได้ไปฝึกแต่เป็นตัวที่ฝึกได้อยู่ถามว่าไอ้เจ้าตัวที่ฝึกแล้วเนี่ยฝึกเสร็จแล้ว นำมาเปรียบเทียบกับไอตัวที่ฝึกได้แต่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันแตกต่างกันไหมนั่นนี่คือคําถามที่พระเจ้าถามกลับไปที่พระเจ้าเกษรที่โกศลในลักษณะนี้พระเจ้าเกษรที่โกศลบอกเอ้ามันจะไปมันจะไปเหมือนกันได้ไงมันต้องต่างกันแน่นะถึงแม้ว่าทั้ง6ตัวในทั้งคู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างคู่หนึ่งม้าคู่หนึ่งโคคู่หนึ่งเอามาด้วยกันเนี่ยเออคนมาคู่กันเนี่ยแต่ว่าเป็นตัวที่สามารถฝึกได้ก็จริง แต่ว่าตัวหนึ่งฝึกแล้วอีกตัวหนึ่งยังฝึกไม่เสร็จนะมันจะไม่เหมือนกันแนะ่พุะเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกันนะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าความแตกต่างกันต้องมีแน่สำหรับคนที่ฝึกแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ฝึกนะฝึกด้วยอะไรนี่แหละฝึกด้วยอะไรนะฝึกด้วยปาทนิย่างการเนี่ยงนะฝึกด้วยศรัทธาฝึกด้วยความไม่มีมารยาฝึกด้วยการมีความเพียรการไม่มีความมีอาภาธน้อยและความมีปัญญา ถ้าคุณมีคุณสมบัติอย่างนี้คุณไปฝึกอันนี้คุณฝึกได้แน่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างโคณคู่ น, ะนี้ช้างคู่นี้มาคู่นี้นะคนที่ฝึกได้เนี่ยคนที่ฝึกได้เนี่ยคือคือเปรียบส ม, มุติว่าเรามีคุณธรรมพวกนี้อยูนะ่เรามีอยู่บ้างเรามีบ้างงเรามีน้อยบ้างฝนะึกให้ได้ดีบ้างดีมากบ้างดีน้อยบ้างนะถ้าเราเปรียบเทียบแล้วเนี่ยโคคู่นี้ ช้างคู่นี้มาคู่นี้นะสมมุติว่าถ้าเปรียบเป็นคนก็คือคนที่มีคุณธรรมนะคือศรัทธามีอาภาตน้อยไม่โอ้โอวดไม่มีมารยามีความเพียรมีปัญญาคือเปรียบเสมือนพวกคู่นีนะ้เอาคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้มาจากทุกวันลนะ4ี่วันลนะมาเอาวันณนะละคู่วันละคู่วันละละคู่วันณะละคู่มาสี่วันนะแล้วสทั้ง8ดคนเนี่ยทั้ง8ดคนเนี่ยมีคุณสมบัติ่างนี้หมดเลยมีอาภาตน้อย นะไม่โอ้โอวดมีศรัทธาปรารุความเพียรมีปัญญาด้วยนะเขาฝึกเนี่ยฝึกเพื่อที่จะเพิ่มคุณสมบัติต ร, ตรงนี้ใช่ไหมฝึกเพื่อที่จะเพิ่มไอห้5ตัวนี้ฝึกห้าตัวนี้อย่างอื่นก็เพิ่มด้วยนะเอาเอาคนหนึ่งของแต่ละวันลนะไม่เอาคู่เอาแค่คนเดียวไปฝึกฝึกต่อฝึกต่อในอันนี้ให้ยิ่งขึ้นไปนะทำให้เขาเห็นคุณธรรมต่างๆมากขึ้นไปเอากลับมาเปรียบเทียบกับคนจาก4ี่วันลนะที่มีคุณธรรมอย่างนี้เหมือนกันนะมีศรัทธามีอาพาธ น้อไม่อ้วนไม่มีมัรยามีความเพียรเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแน่ไม่เหมือนกันแน่เพราะว่ า, าการฝึกยังฝึกไม่เสร็จนะคนที่มีคุณธรรมอยู่แต่ยังฝึกไม่เสร็จก็ต้องไม่เหมือนกับคนที่มีคุณธรรมอยู่แต่ฝึกเสร็จแล้วนะฝึกเสร็จแล้วก็ฝึกไม่เสร็จนี่คุณธรรมต่างกันแน่นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้อเปรียบเทียบกันอย่างนี้ทีนี้พระพเจ้าประเสริฐทีโกศลก็ถามต่อไปอีกนะเพราะว่าต้องการจะทราบข้อมูลว่าอ้าแล้วถ้าบอกว่าในสี่วรนนันเนี่ย นะมีความเพียนไม่แตกต่างกันแล้วมีความเพียนเหมือนกันนะคือคนที่ไปฝึกเนี่ยไอ้าอย่างที่เขามีเนี่ยก็จะเพิ่มด้วยนะสมมุติว่าเราเอาคนที่อยู่ในวรรณหพรามเป็นต้นมาคู่หนึ่งคนหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธามีศีลใช่ไหมมีอาภาธน้อยไม่โ อ, โอ้วกแล้วก็มีปัญญาด้วยมีความเพียนด้วยพอๆกันสมมุตินะสมมติคนหนึ่งเอาไปฝึกฝนะึกเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยแน่นอนศรัทธาเขาต้องมากขึ้น นะความเพียนเขาก็มากขึ้นบัญญาติเขาก็มากขึ้นนะความเป็นคนตรงเขาก็มากขึ้นกลับมาปุ๊บ5้าอย่างนี้จะไม่เท่ากันล่ะนะจะไม่เหมือนกันล่ะด้วยคุณสมบัติต่างๆประเด็นคือตรงนี้ท่านผู้ฟังที่ท่านพระเจ้าพระเศสที่โกรธสต้องการทราบก็คือว่าถ้าเบิดว่าฝึกเสร็จแล้วมีคุณคุณธรรมเท่าๆกันเนี่ยวันณะทั้ง4เนี่ยมีความแตกต่างกันหรือไม่นี่คือคําถามพนะระเจ้าก็ตอบว่าไม่ต่างกันนะโดยยกตัวอย่างอะไร ด้วยยกตัวอย่างถึงถ้าเราเอาไฟเราเอาไมนะ้ไม่ว่าคุณจะเอาไม้เป็นไม้มะม่วงไม้จากต้นสักนะไม้สักไม้มะม่วงหรือไม้เสดานะํามาจุดไฟทําไฟให้ติดมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยความแตกต่างกันระหว่างไฟหรือความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเหมือนกันเหมือนกันด้วยไฟเนะช่นเดียวกันว่าถ้าสมมติว่า เป็นคู่ที่ฝึกเสร็จแล้วนะที่เราบอกว่าคู่พราหมณ์คู่กษัตริย์นะคู่แพทย์แล้วก็คู่สูตรเอาเอาเฉพาะคนเดียวพอไปฝึกนะรนะหว่างสี่คนนั้นที่ไปฝึกนะก็จะมีคุณสอดเหมือนกันนะคือไม่มีความแตกต่างกันในวิมุตตนั่นเองนะแต่ที่ต้องทำให้ท่านฟังทราบก็คือว่าความแตกต่างกันของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมีแน่นอนนะถ้าเราจะพูดถึงมงิ่งผู้ะระเจ้าอะพระเจ้า นะมีศีลสมาธิปัญญานี้เลิศรู้มากไม่มีใครที่จะมาเปรเียบเทียบได้มากเท่านะไม่มีใครในสังสารวัตนี้เทวดาเทพบานพรหมฤกษ์ใครในโลกเนี่ยจะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์เท่ากับสมาสมบุตรเจ้านะเอาแล้วสารีบุตรล่ะสารีบุตรก็ไม่เท่านะท่านพระมหามโมคลานาะล่ะก็ไม่เท่าไม่มีใครเท่าเลยในใ น, ในพิพรมในเรื่องนี้นะพระเจ้ามีมากกว่าอ้าแต่แต่ทำไมถึงบอกว่าเสมอกันที่วิมุติ ใช่เพราะว่าในวิมุตินั้นไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีมัคในวิมุตินั้นคือเป็นนิพพานนะมัคนน้นก็ดับไปแล้วนะในนิพพานไม่มีตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจจะปฏิเรียงรับรู้ธรรมะรับรู้มัคได้เดินอยู่บนศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพราะเรายังมีตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจแต่ถ้ามันดับไปแล้วก็คือไม่มีเนีเสมอกันที่วิมุตรงนั้นแต่ว่าความที่เป็นศีลเนี่ยไม่เท่ากันแน่แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง แต่ละคนแต่ละท่านที่มีความสามารถก็จะไม่เท่ากันแน่ถ้าเรามาเปรียบเทียบซึ่งวิมุตซึกับวิมุต้นเท่ากันแต่เราเปรียบเทียบซึ่งศรัทธากับศรัทธาซึ่งศีลกับศีลซึ่งความมีอภารน้อยกับความมีอภารน้อยซึ่งความเพียรกับความเพียรซึ่งความไม่มีบรรยากความไม่มีบรรยากก็แต่ละคนก็จะทําได้ไม่เท่ากันแน่ถึงแม้เขาทําได้เท่ากันสัดส่วนอื่นๆก็จะเปลี่ยนแปลงกันไป ดันั้นจึงมีความแตกต่างกันตรงนี้อยู่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องความคุณธรรมในใจในความถึงเป็นวิมุต t นั้นก็เสมอกันพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้เพื่อที่จะให้มีความเราเข้าใจว่าไม่ว่าเราจะเกิดเป็นคนจนคนรวยคนสูงคนเตี้ยคนต่ำคนพิการคนสมบูรณม์มันสามารถปฏิบัติได้ตราบใดที่เรามีคุณธรรมเหล่านี้ ถามว่าถามว่าคนที่จนเขามีศรัทธามีไหมมีคนที่รวยเขามีเป็นคนตรงๆเป็นวินยูชนมีไหมก็มีเนะี่คนดําคนขาวสามารถมีคุณธรรมนี้ได้หมดเพราะว่าคุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเลือกเลือกได้เองเนะี่ยเลือกในการที่จะส่งไว้ในใจของเราเพราะเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัติเนี่ยทางฝั่งมันเป็นทางเลือกที่เราสามารถเลือกได้เนะี่พระเจ้าจึงบอกเรื่องนี้เคยบอกเรื่องนี้เอาไว้กับ คณะกาโมคณาลพรามนะถึงว่าเอ้ยทำไมบางคนได้บรรลุบางคนก็ไม่ได้บรรลุนะมันอยู่ที่คนเขาเลือกเดินทางไหนนะที่เรื่องที่ให้ฟังเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่ถามท่านพระท่านพรามที่ชื่อว่าคณะกาโมคณาเนี่ยถามพระพุทธเจ้าว่าทําไมบางคนก็บรรลุบางคนก็ไม่บรรลุนะนิพพานก็ยังมีอยู่คําสอนก็ยังมีอยู่ผู้ชักชวนคือพระเจ้าเพื่อการดาเนินไปเนี่ยก็ยังมีอยู่ทําไมบางคนบรรลุบางคนไม่บรรลุ นประช่าก็เลยย้อนถามกลับนะกับคณะกมภรณารามนะถึงบอกว่าถ้าเราบอกทางบางคนไปบางคนเขายัางเดินผิดบางคนเขายัางเดินถูกนะเราจะไปทําอะไรได้เพราะว่าเราเป็นแต่ผู้บอกทางเท่านั้นเช่นเะดียวกันนะเราจะเลือกเดินทางไหนต้องฟังธรรมะที่พูดพูดกันอยู่ทุกวนันทุกวันเนี่ยที่กัปปะจามมาพูดอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่แค่พระภัยบูนอย่างเดียวนะพระ อ, รอุณอื่นเขาก็พูด โอ้ยอย่าพูดถึงพระเลยคารวะก็พูดทั้งผู้ชายผู้หญิงทําหนังสือออกเป็นวิดีโอขึ้นเฟซบุ o กเอ๊ะแล้วทําไมบางคนเขาก็ไม่สนใจมันก็ไม่สนใจอยู่ดีอ่ะบางคนเขาก็สนใจก็ดีคนที่ไม่สนใจก็มีคนสนใจแล้วแบบว่ า, าทํำไม่ได้ก็มีเนี่นมันอยู่ที่ว่าเขาเลือกเดินทางไหนล่ะเนี่ยเขาเลือกที่จะมีความเพียรอย่าแบบไหนเขาเลือกในการที่จะกระทำไหมเนี่ยเขามีศรัทธา มีปัญญามีความเพียรเท่าไหร่ในการที่เขาจะสามารถที่จะขับเคลื่อนผนะลักดันให้ไอ้ไอม้มรคไอ้คุณธรรมต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันไปได้แตนะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นคําถามลักษณะเดียวกันที่ท่านพระอินทร์ก็เคยถามพระ้าเหมือนกันว่าทำไมบางคนบรรลุบางคนไม่บรรลุนะระพุทธเาอธิบายถึงเรื่องของตัณหานั่นเองนะคนที่ไม่บรรลุเนี่ยเพราะว่ายังมีตัณหาอยู่ยังถูกตัณหานเนี่ย รัดรึงอยู่ น, นี่ก็เป็นคําตอบได้ว่าทําไมบางคนถึงฟังธรรมะอยู่คือคือบอกว่ามีธรรมะที่แสดงอยู่แต่ก็ไม่ฟังนะหรือฟังแต่ก็ไปไม่ได้นะไม่มีศรัทธานะเนื่องจาะว่าตัณหาเนี่มันดึงไว้อยู่นะมันรัดรึงอยูนะ่นอกจากตัณหารัดรึงแล้วก็ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องบังตาด้วยนะ่มันก็เลยไม่เห็นไปไม่ได้สิพระเจ้าจึงได้อธิบาย เ, าเรื่องนี้ไว้กับท่านพระมหาโมคละนะนะว่ามันอยู่ที่ทางเลือกตัว น, นั้นเอง แต่ทีนี้ถ้าเราเลือกถูกทางแล้วนะเราทําไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยต้องได้ผลแน่นอนเนืเหมือนกับเราหวานมเมล็ดเนีเราหวานมเมล็ดมะม่วงลงไปอย่างเงี้ยมันโตมามันต้องเป็นลูกมะม่วงแน่นีแต่ถ้าเราหวานมเมล็ดสแตลหรือมเมล็ดบวบโคมลงไปเนี่ยมันโตขึ้นมาจะให้มันออกเป็นมะม่วงรสหวานชุ่มฉ่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ท่านพระเจ้าเคยเปรียบเทียบตรงนี้เไว้ในเกี่ยวกับเรื่องของหวานพืชนี่้วคุณปลูกพืชชนิดไหนล่ะถ้าคุณปลูกพืช เช่นพวกพันไม้สะดาวพันไม้บกขมพันไม้น้ำเต้าขมเนี่ยปลูกข้างๆกันนะสมมตินะเรามาปลูกข้างๆกันกับต้นมะม่วงบ้างต้นอ้อยบ้างหรือต้นองุ่นบ้างอย่างเงี้ยนะดินก็ดินเดียวกันน้ําเราก็รดใส่ด้วยกันโดนแดดก็โดนแดดพอๆกันเนะพราะอยู่ในที่ใกล้ๆกันแลนะดินก็มีคุณภาพเดียวกันทําไมต้นหนึ่งต้นบกขมต้นสะดาวน้ําเต้าขมเนี่ยผลวันออกมา มันขมต้นมันก็ขมใบมันก็ขมลูกมันเม็ดมันโอ้ขมหมดเฮ้ยทำไมแล้วทําไมไอ้องุ่นหรือว่าอ้อยอย่างเงี้ยมันออกมามีรสหวานชุ่มฉ่าชุ่มก่อทั้งๆที่มันก็ดูดดินเหมือนกันดูดน้ําเหมือนกันโดนแดดเหมือนกันนั่นก็เพราะว่าไอ้เจ้าพันไม้เสดาเนี่ยพันไม้น้ําเต้าขมบวบขมพวกเนี้ยเป็นพันไม้มันเป็นพันของมันเป็นพันธแบบเนี้ยมันก็ต้องเป็นของขมอ่ะ นะพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นพืชพันธุ์ที่ชั่วนะเป็นพันธุ์ของเขาเป็นอย่างนี้นะในขณะเดียวกันไอ้ต้นอ้อยต้นองุ่นนะพวกนี้มันก็เป็นของเขาอย่างนี้นะเช่นเดียวกันเปรียบเทียบนะพะพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ฟั่งนะเปรียบเทียบกับต้นต้นสะดาวต้นบวบขมน้ําเต้าขมเนี่ยเป็นการพวกการกระทําในทางมิจฉาทิฏฐินะไล่ไปเลยนะมิจฉามักทั้งหมดนั่นแหละนะมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันมิจฉาอาชีวะ ่เรือยๆยการกระทําอะไรที่อาศัยมิจฉาทิฐิมิจฉามักเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนเนะ่ยเป็นของที่กักขระเนะ่ยเป็นสิ่งที่จะนําความทุกข์มาให้ในทางตรงข้ามนะ่ยถ้าเราเดินตามทางสัมมามักเนะ่ยสัมมามักเดินตามทางที่ถูกต้องได้ไปไล่ไปนะ่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปปะสัมมาวาจาเนะ่ยเรากระทํากรรมใดๆก็ตามคิดพูดทํา สนทนากับใครตั้งใจยังไงด้วยอาศัยทิฐิแบบนี้ตามเส้นทางนี้ตามเส้นทางมรกเนี่ผลที่ออกมาก็จะเป็นชีวิตที่เป็นสุขมีความน่าปรารถนาน่าเกลื้อกูลอยู่ในใจเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ดีเราเดินเส้นทางไหนเราเลือกเส้นทางไหนตอนนี้ท่านผู้ฟังเรามาพิจารณาตัวเราเราก็ต้องเดินอยู่บนหนนทางอะไรเราเดินอยู่บนหนนทางที่จะป้องกันความขาด หรือเปล่านะคือคนเดินเดินไปตามชีวิตเนี่ยชีวิตคุณสั้นลงทุกวันนะอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่มันเป็นความจริงนะคุณไหนใจเข้าคุณหนใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเราก็ใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งชีวิตที่เราใกล้ความตายเข้าไปลมหายใจหนึ่งคุณเดินอยู่บนถนทางไหนแต่ถ้าคุณเดินอยู่บนทางที่เป็นมิจฉาหมากักเป็นทางที่เป็นมิจฉาคุณเดินไปเดินไปสุดทา น, นตู้มเลยลงนรกกําเนิดโดยชานเปรวิสัยระหว่างทางในเดินมันก็ลําบากด้วย เหม็นด้วยนะสุขกบฏด้วยเป็นทุกข์ด้วยนะเป็นของเผ็ดร้อนด้วยเป็นของไม่อร่อยไม่ดีด้วยระหว่างทางที่ไปนะําไปสุดแล้วยิ่งทุกข์หนักเียดูแล้วกันนะระหว่างทางที่คุณไปเหมือนกันนะถ้าคุณเดินไปตามทางที่เป็นสมัมมามัติเป็นเส้นทางที่ดีนะระหว่างทางแน่นอนมีแต่ความสุขนะสุขกายสุขใจนคะรอบครัวไปดีนะสุดท้ายตรงโน้นปลายทางนะเป็นที่ที่ดีด้วยนะสวรรค์ นมนุษย์ที่อยู่ในวรรณสูงในเทวดาพรมหรือแม้แต่นิพพานด้วยซ้ําคุณเดินอยู่ทางไหนในะเพราะในไหนคุณจะต้องเดินอยู่แล้วมันมันหยุดนิ่งไม่ได้ในในชีวิตคุณต้องสั้นไปเดินไปอยู่แล้วมันหยุดนิ่งไม่ได้ในะพุทธเจ้าเปรียบชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับถูกโคมันต้อนไปต้อนก็ไปเข้าคอกเดินต้อนไปต้อนไปมันหยุดนิ่งไม่ได้มันถูกต้อนไปอยู่เวลาทุกวินาทีมันหายไปหายไป ลมหายใจของเรามันสั้นเข้าสั้นเข้านะมันชีวิตเรามันสั้นเข้าคุณเดินอยู่ทางไหนคุณรู้หรือเปล่านะคุณเลือกเดินทางไหนตรงนี้เป็นทางเลือกนะพอตื่นเช้ามาคุณจะด่าคุณจะว่าหรือคุณจะพูดดีๆให้กันเราไปที่ทํางานเราจะโกงหรือเราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราไปที่ทํางานขับรถขับเข้า ข, ขับรถมาปาดหน้าคุณจะมีเมตตาหรือจิตมีโทสะในไปไหนใครเลือกใครทําตัวเราเองนะ ใจเราเองนะถ้าเราไม่เลือกเราไม่ทําสิ่งที่ดีแล้วถามว่าจะไปโทษใครเราต้องโทษตัวเองนะเพราะฉะั้นตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกทีนี้ถ้ายังทําไม่ได้ทํำยังไงมันต้องถูกติวเข้มท่านผู้ฟังนาะไม่ต้องถูกขนาบถูกติวเข้มหนะพาพระเจ้าจึงเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่พี่เลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงเด็กเนี่ยเด็กมันสนเนี่ยมันเอาอะไรเข้าไปในปากเนี่ยจะต้องคอยดูแลนาะบางทีต้อง ทำด้วยวิธีรุนแรงบ้างนะเช่นว่าเอาชิ้นกระเบื้องเข้าไปในปากเงี้ยแล้วก็มันมันดึงออกไม่ได้โดยง่ายก็ต้องเอามือซ้ายนี่ล็อกหัวไว้มือขวานี่ต้องเกี่ยวลงไปดึงออกมาทํายังไงออกมาให้ได้แตนะถึงแม่เลือดออกก็ต้องทำนะถ้าเพราะว่ า, ากระเบื้องมันเข้าไปแล้วนี่ยิ่งจะเป็นหนักเข้าไปอีกมีการบาดตานี่ต้องเจ็บหนักเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงจึงต้องต้องทำนะเพราะว่าหวังความปลอดภยัยแกเด็กนะเอ็นดูนะ แต่ว่าก็ต้องทำํำนะเช่นเดียวกันพนะระพุทธเจ้าเปรียบกับคู่ที่อยู่ในธรรมะว้ไหนนี้แตนะถ้าตัวเองเนี่ยยังเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาเนี่ยจะต้องคอยตามบอกตามสอนขนาดนะติวเข้มว่างั้นนะติวเข้มเพื่อที่จะให้เราเรารู้ให้ได้ถามว่าเรามีคุณธรรมนี้หรือยังนะมีศรัทธาหรือยังมีหิริไหมโอตปะ อิทธิอตปาคือความกลัวกับความละอายต่อบาปนะ่ะบาปเนี่ยกลัวไหมไม่ใช่กลัวผีนะบางคนกลัวผีโอ้ยผีไม่กลัวอะไรกลัวถ้ากลัวกลัวบาปซะนะแล้วก็ะละอายความกลัวกับความละอายต่อบาปความละอายต่อบาปคืออตปานะ่ะให้มีความละอายต่อบาปแล้วก็มีความเพียรมีปัญญา5อย่างนี้เราต้องมีนะเราถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่พอจะคุ้มครองตัวเองได้ นะพอที่จะรักษาตัวเองได้เปรียบเห ม, มือนเด็กที่พอรู้เรียงสามารถขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องคือตัวเองไม่คิดที่จะเอาชิ้นกระเบืเข้าไปในปากแล้วนะื้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรไม่วิ่งออกไปให้รถเขาชนไม่ไปเอามือไปจี้ไอ้ปลักไฟนะื้รู้เรื่องพอควรแล้วก็พี่เอยก็ปล่อยมือได้ในเะช่นเดียวกันเราถ้าเราพอจะมีคุณธรรมข้อนี้นะื้มีศรัทธามีความกลัวความไรต่อบาปมีวิริยะมีปัญญายอย่างน้อยเส้นทางที่เราเดินไปท่านผู้ฟังมันอาจจะเป๊บ้าง คือทางนี่มันกว้างใช่ไหมจะเดินซิกแซกไปตามทางอยู่แต่มันก็ใช้เวลานานแต่ว่ามันอยู่ในกรอบแมันอยู่ในกรอบในเส้นทางที่ไปได้อันนี้ถึงจะดีทีนี้ในระหว่างที่เราเดินทางไปเนี่ยไปสู่สักที่ใดที่หนึ่งเราเลือกทางที่ดีละทางที่ถูกละเราจะทํายังไงให้ทางที่ถูกที่ดีของเราเนี่ยมันตรงมันสั้นมันไวมันไปถึงได้เร็วแลพระเจ้าจึงบอกว่าต้องมีการบ่มแล้วเมื่อเราที่เราจะบ่มผลไม้บ่มกล้วยบ่มมะม่วงให้มันสุกเนี่ย เราต้องมีการบ่มนะให้มันถึงจะได้สุกอย่างดีออกมาได้นะการบ่มตรงนี้พระเจ้ชชาก็พูดถึงว่าต้องมีคุณธรรมห้อย่างนะบ่มด้วยอะไรบ่มด้วยการมีเพื่อนดีนะถ้าเรามีเพื่อนดีชักชวนกันไปดีนะ น, นี้สามารถทําจิตใจที่ยังไม่บรรลุให้บรรลุได้ศีลนะบ่มด้วยศีลนะบ่มด้วยคุณธรรมคือธรรมะต่างๆเช่นว่าเครื่องให้ปรารถนาน้อยนะเครื่องให้สันโดษ นะให้มีความสงัดให้มีความเพียรให้มีศีลพวกนี้นะบ่มด้วยคุณธรรมอย่างนี้แล้วอันที่4ี่ก็คือบน่นบมด้วยความเพียรนะห้าบ่มด้วยปัญญาถ้าเราบ่มด้วย5อย่างนี้นะสามีกครั้งหนึ่งคือเพื่อนดีศีลนะการที่ได้โดยง่ายได้โดยไม่เลยอยากลําบากซึ่งธรรมกถาแล้วนะก็การมีความเพียรการมีเพื่อนดีการมีปัญญานะพวกนี้จะทําให้จิตใจขงเรานั้น บรรลุทำไปตามฐานได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะรวดเร็วขึ้นเหมือนกับผลไม้ที่เขาบ่มนั่นเองท่านผู้ฟังมีคําถามและก็เสนอแนะใดๆก็ส่งข้อมูลกข้มาได้ในรการเขียนส่งมาทางไปรษณียบัตรหรือจดหมายก็ได้ที่เลขที่1หมู่แตํบบาบล ด, ดอนฮิโสะอําเภอนองฮานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ piotama.com er เราก็จะนําข้อมูลขออ่าวสารหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นม า, ามาคุยกับท่านผู้ฟัง ในระหว่างทางที่เราเดินไปท่านฟังนะถ้ามีใครที่เราพอจะชวนเดินไปได้นะเราก็ชวนเขาคนไหนที่เราพอจะบอกได้วราให้เขาเดินไปตามทางที่ถูกต้องเราก็ชวนเขาไปไนะหนเขามารู้อะไรศัตดิ์ด้วยกันนะคนไหนที่พอเขาเขาจะเชื่อฟังเราไดนะ้เราเห็นว่าเขาจะพอที่จะชักชวนกันไปได้เราก็กทำนั่นจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวแต่พระเจ้าจึงพูดถึงการสงเคราะห์หรือชักชวนผู้อื่น ให้รู้อริยสัย์ด้วยเขาจเจ้าพระไปบูนอภีปุนโนจากวัดป่าดอนไอโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่หมนวันพรุ่งนี้เจริญบอน